นิมนต์หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังนะครับในหัวข้อวันนี้รู้เราไม่ใช่เรารู้นะครับครับนิมนต์ครั บ, รบาาอาจารย์ก็อาจจะเป็นสับใหม่นะศั์ใหม่ถ้าไม่เคยได้ยินหลวงพ่อพูดมาก่อนก็อาจจะงงๆแต่ว่าหลวงพ่อก็พยายามจะกยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดการเห็นแล้วก็เข้าใจตามได้อย่างไม่ยาก จริงๆที่เรามาพูดกันเรื่องธรรมะเนี่ยนะเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเพื่อความพ้นทุกนี่แหละอืแต่บางทีถ้าเราอยู่ๆแล้วเราก็เข้ามาในห้องคุยเนาะถ้าเราไม่เคยฟังมาก่อนหรืออะไรเนี่ยจับจุดไม่ได้ว่าเออเขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคือไม่รู้วัตถุประสงค์ในการคุยมันก็เหมือนกับ ว, ว่ามันอาจจะไม่ทําให้เกิดปัญญาอเพราะจริงๆอ่ะอันนี้หลวงพ่อเท้าฟาร์มนิดนึงเนาะว่า พวกเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมานะที่เกิดมาในชาติเนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ เ, เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทางด้านร่างกายนะคือร่างกายเนี่ยมันมีความเออ่เจ็บป่วยไม่สบายนะมันจะมีการอะไรหราก็ เ, าเรียกว่ามันมีแต่ความความความบีบคั้นอะนะร่างกายเนี่ยมันมันหาความสุขในร่างกายไม่ได้เลยเนาะ ลองดูชีวิตเราตั้งแต่เกิดะชีวิตเราตั้งแต่เกิดเนี่ยมันจะมีความเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลานะป่วยน้อยบ้างมากบ้างรุนแรงบ้างต้องเข้าโรงพยาบาลถึงขั้นผ่าตัดแต่ทีนี้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแค่ในตลอดเวลาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะมีความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะท่ที่กระทบผิวกายเนี่ย แล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่สบายเลยอันนี้เรียกว่าความไม่สบายกายมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นตเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ามีร่างกายมันเกิดมาแล้วมันมีร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็คือตัวทุกข์นี่แหละเออแล้วทํายังไงถึงจะพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าไปค้นพบมาแล้วก็อ่พวกเราหมายถึงว่าเนี่ยได้เรียนธรรมะได้ปฏิบัติก็มาเป็น เข้าใจในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็เลยมาบอกต่อบอกต่อก็คือหมายความว่าก็คือนั่นแหละคือเอาหลักคาสอนของพุทธเจ้ามาบอกต่อเพื่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพื่อให้พ้นทุกจากจากทุกข์ที่มีทีนี้ในส่วนของจิตใจก็เหมือนกันจิตใจจิตใจของเราเนี่ยทุกคนก็ทราบได้ว่าเออมันก็สับเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวโกรธเดี๋ยว โบโหเดี๋ยวหุดหงิดเดี๋ยวอมคานแล้วก็เดี๋ยวกุ้ม อ, อกกุ้มใจนะแล้วก็มันก็สลับหน้าไปเรื่อยเนาะ เ, ออเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งแล้วก็วนอยู่เนี้ยตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ถ้าจากประสบการณ์เนี่ยพวกเราก็คงจะมองออกเลยว่าอะไรก็คือมันไม่เคยคงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะสิ่งเหล่านี้ยเขาก็เรียกว่าความทุกข์เหมือนกันเพราะว่า มันมีความทุกข์บีบคั้นที่จะให้เกิดสภาวะแบบนี้มันมีความไม่เที่ยงคือความไม่แน่นอนมันก็ทำให้เกิดภาวะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจมันมีแต่ทุกข์ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าสุขแต่สุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงในทางธรรมะท่านบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขมันก็คือความทุกข์ดีๆนี่เอง อาทีนี้เมื่อเราพอรับทราบแล้วว่าทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเนี่ยมันมีแต่ทุกข์แล้วทาอย่างไรทาชนไหนจึงจับพ้นจากทุกนี้ได้มันมีแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพบมาแล้วว่าทุกข์มีอยู่แต่ว่าสามารถที่จะดับทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์ได้ทีนี้ที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยจริงๆทุกวันทุกครั้ง เนี่ยก็คือเป้าหมายตรงนี้คือต้องรู้จักทุกแล้วก็ปลายทางก็คือต้องพ้นทุก์ให้ได้แต่จริงเนี่ยธรรมชาตินะโยมธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมันมีสองสิ่งคู่กันคือธรรมชาติที่เป็นทุก์ก็มีอยู่ธรรมชาติที่มันไม่เป็นทุกเลยนะมันก็มีอยู่เนี่ยทุ ก, ก็มีอยู่ที่มันไม่มีทุกเลยก็มีอยู่ แต่ทีนี้ไอ้ตรงที่จะเข้าถึงที่มันไม่มีทุกข์เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นความที่ยากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปพบธรรมชาติที่ไม่เป็นทุกข์เลยนอกจากพระพุทธเจ้าเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้เริ่มเป็นผู้ประเดิมที่ไปค้นพบมาแล้วก็บอกวิธีการให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านตามที่ท่านสอนนะแล้วก็จะจะพบจะเห็นตามที่ท่านพบมาแล้ว วันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องทางของมันอันนี้หลวงพ่อย่อๆกันแล้ว ก, กันเนาะทางของมันเนี่ยที่จะไปสู่ความความบริสุทธิ์เนี่ยความที่ไปพ้นไปจากทุกเนี่ยเราเรียกว่าอริยมรรคไมองแปดนะหลวงพ่อย่อ ๆ, ๆพอก็คือต้องเป็นผู้มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาไอ้คำว่าปัญญาตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกเนาะปัญญาในทางธรรมะเนี่ย หมายความว่าต้องเป็นปัญญาที่รู้เห็นนะมีปัญญาที่จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงของกายของใจว่ามันมันมีความไม่เที่ยงอ่ะามันพี่หลวงพ่อพูดแล้วเนาะมันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์แล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คือปัญญาในทางธรรมะเพราฉะนั้นถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรม สามารถที่จะเข้าถึงมีความรู้แจ้งเห็นจริงตามที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์แบบนี้ลักษณะสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แบบรู้แจ้งจริงๆ จ, จนไม่มีข้อสงสัยตรงนี้มันเป็นปัญญาที่จะสามารถพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันชาตินี้อ่านี่หลวงพ่อเกล่นไว้แล้วเนาะทีนี้มาวันเนี้ย หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องรู้เรานะไอ้รู้เรากับไอ้รู้เราเนี่ยมันไม่ใช่เรารู้ตรงเนี้ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่าคนปกติเนี่ยส่วนมากอะ่ะมันเป็นเรารู้เรารู้ยังไงเช่นมันมีตัวเราเนาะอ่าเกิดมาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอา๋อไอ้ที่เกิดมานี่คือตัวเราเกิดมาแล้วแล้วพอตัวเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ พยายามที่จะไปเรียนนะไปเรียนไปหาความรู้ต่างๆตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสมัยเด็กนะเป็นเด็กนักเรียนเพราะเดิมเราไม่มีความรู้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยเกิดมาแล้วแะแต่เรายังไม่มีความรู้เราก็เลยไปศึกษาเรียนรู้นะตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่เริ่มเกิดเลยพ่อแม่ก็เริ่มมัสอนเรื่องภาษาเรื่องการเดินการนั่งการนอนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เข้าโรงเรียนนะไปอ่านไปเขียนไปคิด ก็ได้ความรู้มาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเนี้ยนี่ถ้าเกิดว่าเราเรารู้เราเรามีความรู้อ่าแล้วก็พอมาโตขึ้นอีกเรียนระดับสูงขึ้นโอ้โหความรู้มากมายนะรู้รู้ในเรื่องโลกโรคต่างๆเนอะรู้การทํามาหากินรู้ในการเอ่อการพูดการคิดรู้ไปหมดเลยอันนี้ก็ยังเรียกว่าเรารู้อ่า ทีนี้ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้นะพอยิ่งรู้มันก็เรารับมาเต็มเต็มเลยว่าเราเป็นผู้มีความรู้อันนี้เ็าเรียกว่าเป็นความรู้ในทางแบบโลกโลกความรู้แบบโลกโลกเนี่ยถึงจะเรียนกี่แขนงกี่วิชาเกี่ยนกี่ศาสตร์ก็ตามมันก็เป็นเรื่องเรารู้ทั้งหมดไม่อาจที่จะทนทุกข์ตามที่หลวงพ่อว่าได้ก็ยังมีทุกข์เหมือนเดิมก็คือยัง ร่างกายยังเจ็บยังปวดยังปว่วยนะแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกว่าเรามีทุกข์เรามีทุกข์เราปว่วยเราปว่วยหรือว่าพอไม่สบายใจเราไม่สบายใจเราสบายใจเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเรียนทางโลกมีความรู้มากมายซึ่งที่เรียกว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วแต่ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้ อืมนนี้หลวงพ่อเกรนนะจริงๆพยายามพูดช้าๆปกติหลวงพ่อก็ค่อนข้างจะจะพูดเร็วนะอันเนี้ยเริ่มรู้จักเลยนะว่ากรณีแบบเนี้ยคือเป็นเรื่องของเรารู้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องทางธรรมะบ้างนะพวกเราเนี่ยลองดูนะว่าเมื่อใส่ใจที่จะมาเรียนรู้ธรรมะเราก็ต้องใสใช่ไหมเออ ต้องไปฟังธรรมต้องไปไหว้พระสวดมนต์ต้องเข้าคอร์สการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมเราก็จะไปไปหาความรู้พวกนี้ยหาอะไรก็หาเพื่อที่จะมีความรู้แล้วก็เพื่อเราเนี่ยจะไดะ้เข้าใจเรื่องธรรมะเข้าใจหลักคําสอนแล้วก็สามารถที่จะอาจจะเขาเรียกว่าพ้นทุกข์เหมือนกันนะก็คือถึงนิพพานไปเลยแต่ตรงเนี้ย ระหว่างเดินทางเรียนธรรมะเนี่ยมันก็ยังมีเรายังมีเราอยู่เราเป็นผู้เรียนเราเป็นผู้ศึกษาแล้วก็พอได้ยินได้ฟวงธรรมะเราก็เป็นผู้รู้เนาะยิ่งศึกษาเท่าไหร่เราก็เป็นผู้รู้มากแต่มันรู้มากในทางธรรมะเนาะรู้มากแล้วก็พิจารณาใจลักเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทมทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้ก็ยังเป็นเรารู้ โอ้ oh, เรารู้ธรร ม, มะแต่ถ้าเราถ้าถ้ายังมีความเป็นเราหมายความว่ายังยังเป็นเราคือเรารู้เนี่ยอันเนี้ยมันก็ยังไม่พ้นทุก์ได้เพราะว่ายังมีตัวมีตนนะยังมีเราอยู่เราเป็นผู้รู้ธรร ม, มะตรงเนี้ยมันก็ยังพ้นทุก์ไม่ได้เพราะว่ายังเข้าใจผิดยังเข้าใจผิดทําไมหลวงพ่อจึงบอกว่าเข้าใจผิด ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาแต่ทีนี้เราเรียนธรรมะมาตั้งหลายปีเนาะก็ยังรู้สึกว่ามีเราอยู่เรารู้แจ้งเรารู้ธรรมะเรารู้ใจลักเห็นไหมก็ยังผิดอยู่ดีเพราะว่ายังเข้าใจผิดว่าเป็นเรา ท, ทั้งทั้งที่ความจริงเราไม่มีความจริงไม่มีเราแต่เรียนธรรมะโว แต่จริงนะหลวงพ่อพูดให้ฟังเลยว่าคนเรียนธรรมะเนี่ยเรียนบางทีหลายปีจริงๆแต่ก็ยังมีเราอย่างเหนียวแน่นเลยว่าเราเนี่ยเราเข้าใจธรรมะแล้วเรารู้ธรรมะแล้วหรือบางทีถึงขนาดเอ่ยปากว่าเดี๋ยวเนี้เราไม่ทุกข์แล้วหรือว่าเราทุกข์น้อยลงเี่เราทุกข์น้อยลงแต่หารู้ไม่ว่าก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่เพราะว่ายังเห็นว่ายังมีตัวมีตนยังมีเราอยู่ เพราะนั้นต้องเรียนสูงขึ้นไปอกีกจนกระทั่งว่าอ๋อมันไม่มีเราจริงๆผู้เรียนก็ไม่ใช่เราผู้มีความเข้าใจในธรรมะก็ไม่ใช่เราผู้ที่ไปฟังธรรมตามสานักต่างๆก็ไม่ใช่เราผู้ที่มานั่งฟังธรรมแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยที่คุยกับหลวงพ่อที่มาฟังหลวงพ่อเนี่ย เมื่อเข้าใจแจมแจ้งเนี่ยก็จะรู้ว่าก็ไม่ใช่เรามานั่งคุยกับหลวงพ่อตอนนี้เริ่มเริ่มงงไม่เอ่ยเนี่ยก็คือคือถ้าเข้าใจถูกก็จะรู้เลยว่าไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏนะไม่ว่าร่างกายที่กำลังเดินดึนนั่งนอนก็จะรู้อย่างถูกต้องว่าอ๋อที่เดินก็ไม่ใช่เราเดินที่นั่งก็ไม่ใช่เรานั่งที่นอนก็ไม่ใช่เรานอน ที่ทุกกายาอาการไม่ใช่เราหมายความว่ากายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เราจิตใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่มีอยู่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือมีอยู่เปลี่ยนแปลงอ่ะเออไม่ได้คงที่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ที่กำลังปรากฏทั้งกายทั้งใจ ถ้ามีความเข้าใจถูกก็จะเห็นอย่างถูกต้องว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็แสนยากที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะบางทุคนฟังมากๆเนาะบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราอันนี้เรียกว่าเข้าใจในระดับสมองเข้าใจในระดับกรัรปัญญาที่ได้จากการ ฟังมาแต่ความลึกซึ้งของมันเนี่ยมันจะต้องมีการเห็นนะเขาเรียกว่าเห็นในสิ่งที่มีเห็นใช้อะไรมาเห็นก็คือใช้สติปัญญามาเห็นเมื่อเห็นอย่างถูกต้องว่าไอสิ่งถูกเห็นโอ้มันไม่ใช่เราจริงๆแล้วก็ผู้เห็นคือตัวสติปัญญาก็ไม่ใช่เราตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องยากมาก แต่ว่าเดี๋ยวก็ในชั่วโมงนี้ก็พวกเรามาคุยกันแต่โยมต้องคุยต้องถามนะไม่อย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นลำบากมากคือพวกเราเนี่ยต้องขึ้นมามาพูดมาคุยแล้วก็หลวงพ่อก็จะชี้ให้ดูว่าความเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงเออมันเป็นเราหรือมันเป็นเรารู้หรือรู้เรานะตรงนี้มันจะต้องต้องมีการแสดงมีการพูดมีการอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็หลวงพ่อก็จะชี้ตรงแล้วก็อาจจะทําให้เข้าใจในระหว่างการพูดคุยสนทนาอย่างเมื่อวานนะเออหลวงพ่อจะยกตัวอย่างของเมื่อวานก่อนเพื่อพอเป็นข้อมูลอืมเมื่อวานก็มีโยมคนหนึ่งเนาะเออโยมคนหนึ่งก็โยมเออรู้สึกจะเข้ามาแล้วด้วยตอนนี้เนาะอืมท่านก็พูด อ, อโยมก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติก็คือฝึกสตินะฝึกสติ เพื่อที่จะให้มีสติโดยอาณาปานสติก็คือกาหนดรู้ลมกาหนดรู้ลมหายใจก็คือลมเข้าลมออกก็มีสติรู้เนาะแล้วก็รู้กายรู้กายรู้อะไรเนี้ยอันนี้ก็คือฝึกรู้ฝึกรู้ฝึกรู้ตัวเออฝึกให้มีสติแต่ทีนี้ระหว่างฝึกบางครั้งบางคราวนะความคิดมันเยอะเกินนะมันก็คิดคิดบางทีคิดยาวนานมากเลยแล้วก็ไม่รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัวบางทีกว่าจะรู้สึกตัวมันผ่านไปเป็นวันก็มีตรงนี้ก็เลยโยมก็ถามว่าตามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะให้คำแนะนำยังไงเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันลืมตัวนานเกินแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วแต่ประเด็นที่หลวงพ่อจะชี้ให้เห็นวันนี้ก็คือว่าขณะที่ที่โยมกำลังเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกว่ามีเรา นะมันยังมีความคือยังมีตัวเนาะยังมีตัวเรายังมีตัวเราเป็นผู้ฝึกสติมีตัวเราเป็นผู้ฝึกสติแล้วก็พอพอมันเผลอสติก็ยังไปรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมเราเผลอนานจังเราอะเราเผลอสติทำยังไงถึงเราจะไม่เผลอหรือว่าให้มันเผลอน้อยหน่อยอย่าให้เผลอนานเป็นวั น, นทายังไง หลวงพ่อมีคำอธิบายแนะนาหนูไหมหลวงพ่อจะบอกอะไรกับกับเราไหมอ่าวันนี้ก็หมายความว่าก็มีตัวตุมีมีตัวเราอีกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะมีความรู้นะเราเนี่ยต้องการที่จะมีความรู้เพื่อเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเราจะได้ไปปฏิบัติถูกที่หลวงพ่อชี้มาตรงนี้นึกออกแล้อย่างว่ามันเต็มไปด้วยความมีตัวเรา มีตัวเราตลอดสายเลยตั้งแต่ในขั้นตอนเริ่มการฝึกสติเอาตัวเราไปฝึกสติพอฝึกสติอ่ถ้ามีสติก็จะไปยึดว่าเรามีสติมากขึ้นเรามีสติแล้วพอขาดสติอ้าวแล้วก็ไปไปไปยึดถือว่าหมายถึงว่าไปยึดถือสติที่มันขาดเนาะไปยึดว่าเราอ่ะเราขาดสติเราขาดสตินานมากเห็นไหม มันจะเต็มไปด้วยตัวเราตลอดสายเลยตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยเป็นอวิชชาหมดเลยนะเป็นอวิชชาคือยังไม่รู้ความจริงยังไม่รู้ความจริงว่าจริงๆอะมันไม่มีเราทาั้งๆที่เราสวดหรือว่าเราฟังธรรมะมาเยอะมากแล้วว่าไม่มีเราไม่มีเราแต่พอเอาปฏิบัติจริงๆก็จะเอาตัวเราไปปฏิบัติแล้วพออะไรเกิดขึ้นนะเราเนี่ยก็จะไปยุ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น เหตุการณ์ก็หมายความว่าเมื่อมีสติอันนี้มันมันมันเป็นสภาวะที่กําลังปรากฏเนาะเมื่อมีสติก็ไปไปยุ่งกับมันว่าเหมือนกับว่าไปยึดอะ่ะไปยึดสติว่าเป็นเราเรามีสติแล้วพอขาดสติเราก็ไปยุ่งกับมันอีกว่าเราเป็นผู้ขาดสตินะแล้วก็พอมันขาดสตินานเราก็ไปยุ่งกับมันอีกว่าทําไมมันขาดสตินานจังขาดสติน้อยๆไม่ได้หรือ อันเนี้ยก็มีตัวเราไปยุ่งเขาเรียกว่าตัวยุ่งเนาะมีตัวเราไปยุ่งกับมันแต่ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เกิดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรามีแต่ร่างกายจิตใจมันก็ปรากฏขึ้นมาโดยประ ก, กอบด้วยอะไรมากมายที่จะให้เป็นร่างกายเนาะอืเราก็ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วเวลาเดินเวลาฝึกเวลาหายใจเราก็ไม่ได้หายใจแล้วเวลารู้ เราก็ไม่ได้รู้แต่มันเป็นรู้มันเป็นรู้ที่มีอยู่แล้วตามตามที่ธรรมชาติเขาให้มีขึ้นนะเวลาไม่รู้มันก็เป็นปกติของความไม่รู้เพราะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้บ้างเดี๋ยวไม่รู้มันก็เป็นเรื่องเช่นนี้เองเป็นอย่างนี้เองแต่ด้วยความหลงลืมด้วยความไม่เข้าใจเนาะเราจะมีตัวเราไปยุ่งทุกเรื่อง ทีนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเข้าใจนะเข้าใจสาภาพธรรมะที่กาลังปรากฏเนี่ยมันปรากฏอย่างไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าไม่มีผู้ยุ่งกับมันเลยนะเนี่ยหลุดพ้นถ้าไม่มีผู้ยุ่งกับมันเลยนะได้แต่เห็นมันรู้มันว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะไม่มีตัวเราไปยุ่งไม่มีตัวเราไปจัดการอะไรนั่นแหละก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้เห็นคือ ไม่มีเราเป็นผู้เห็นไม่มีเราเป็นผู้ยุ่งไม่มีเราเป็นผู้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีนี้เมื่อเข้าถึงความไม่มีเราเนี่ยแล้วใครจะทุกข์แล้วใครจะเจ็บแล้วใครจะปวดแล้วใครจะป่วยแล้วใครจะแก่แล้วใครจะเจ็บแล้วใครจะตายไม่มีมีแต่สภ า, าพธรรมะที่มันปรากฏแล้วมันก็ดับไปปรากฏแล้วก็ดับไปทีนี้ที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ยกตัวอย่างประกอบ เนี่ยบางทีถ้าโยมได้พูดอะไรบ้างเราก็เอาสิ่งที่พูดตรงเนี้ยมาชี้มาบอกว่าเ อ, อเข้าใจผิดตรงไหนหรือว่าเข้าใจถูกแล้วตรงไหนก็จะมาชี้แล้วก็อที่ยอดโยมเนี่ยที่มาฟังเนี่ยก็สามารถจะเกิดสติปัญญาได้แล้วก็จะให้มีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะ ถอนความเห็นผิดได้ในขณะที่ทฟังธรรมแบบนี้แต่ยังช่วงนี้ยังไม่มีใครถามหลวงพ่อก็จะเอาของเก่ามาพูดอีกหน่อยหนึ่งนะเรื่องของที่เผลอนานเมื่อมีการเผลอนานเนี่ยก็หมายความว่ามีมีใครเป็นคนรู้หลวงพ่อก็จะบอกว่าผู้ปฏิบัติอย่างเมื่อวานเนาะก็ของโยมแหละโยมเขาเขาเขาคงรู้โยมก็รู้ว่า คือโยมเนี่ยจะรู้ว่าโอ้มันเผลอนานมันเผลอทั้งวันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าโยมโยมรู้อ่ะภาษาของหนี่ในนี้ก็ก็คือเรียกว่าเรารู้เออเรารู้เรารู้ว่าเผลอนานนะตรงนี้ก็ยังเป็นเรารู้นึกออกไหมหรือว่าอหลวงพ่อจะยกตัวอย่างอื่นก็ได้นะเช่นสมมติว่าเวลาเราขับรถบนท้องถนนเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นรถยนต์บนถนนมากมายอ่นะเนี่ย คันนั้นวิ่งเร็วคันนั้นวิ่งช้าคันนั้นเป็นยังไงเนี่ยในขั้นเนี้ยมันก็จะเต็มไปด้วยความว่าเป็นความรู้สึกอะนะเป็นความจริงๆริอะมันถึงขั้นเป็นตัวเป็นตนเลยแหละคือเราอ่ะเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้ว่ารถคันนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแต่จริงอ่ะรถมันก็วิ่งของมันอย่างนั้นอะนะมันก็วิ่งของมันอ่ะเป็นเป็นเป็นปกติของมันอย่างนั้นทีนี้พอมีการรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี หมายถึงว่าตัวเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมตัวเราเป็นผู้เห็นรถวิ่งเนี่ยทีนี้พอตัวเราเห็นรถวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยตัวเราก็ต้องบน่นต้องพูดใช่ไหมบอกเฮ้ยรถคันนั้นทําไมต้องต้องวิ่งอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะถามในใจว่าทําไมทําไมทําไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะงั้นะถัดจากการรู้ก็จะมีการพูดอ่เพราะฉะนั้นรู้อย่างเงี้ยเมื่อมันรู้แล้วมันก็พูดได้เออรู้อะไรมันก็พูดฝนตกแดดออกน้ําท่วมเนี่ยเห็นไหมเวลาน้ําท่วมตอนนี้เนาะ น้ำท่วมพอรู้ว่าน้ําท่วมเนาะก็จะบอกจะพูดจะเล่ากันว่าน้ําท่วมที่นั่นเป็นอย่างนี้อย่างงน้นอย่างนี้นะอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรารู้อะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเล่าเอามาบอกเอามาพูดกันตรงเนี้ยหลวงพ่อต้องการชียร่ยวเห็นว่าโดยธรรมชาติของรู้เนี่ยมันรู้อะไรแล้วมันพูดได้มันบ่นได้เออมันเอามาเล่าได้เอามามาเขาเรียกว่ามามาพูดมาคุยกันนะ่ะนะไอ้รู้แบบนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรารู้หมดเลย ทั้งเรารู้ทั้งเราพูดนะและ้วก็ทั้งเราคิดนะี่แหละก่อนพูดเนาะมันก็มีความคิดคือรู้อะไรแล้วเนี่ยเอาสมมติหลวงพ่อใจชี้นะสมมติว่าโยมนั่งอยู่คนเดียวโยมนั่งมองอะไรก็ได้แล้วก็โยมไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วรู้แล้วแล้วก็ก็จะมีการพูดในใจคนเดียวว่าเฮ้ย อันนี้มันเป็นอะไรทาไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นมมนน ย, นยมลองสังเกตนะเพราะนั้นเรื่องของการรู้เนี่ยเวลาเรารู้อะไรเราก็จะจะพูดไม่พูดออกเสียงมันก็พูดในใจนี่คือการทำงานกระบวนการของธรรมชาติแล้วก็อย่างบางทีพอรู้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาจำได้อย่างง้นอย่างนี้ก็อาจจะมีความความไม่พอใจความพอใจนะ พอรู้ว่าไม่พอใจเช่นบอกว่าตอนนี้หงุดหงิดลำคาญอันเนี้ยรู้แล้วว่าหงุดหงิดลำคาญมันก็ส่งต่อคือให้มีการพูดในใจบอกว่าโอ๊ยลำคาญมากเลยทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อะไรมันก็ต้องพูดต้องภาคอีกแล้วก็จะมีความอาจจะไม่สบายใจหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยครึ่งมันเป็นมันเป็นขณะจิตขณะจิตที่ส่งทอดกันมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วง แต่หลวงพ่อต้องการอยากให้เห็นว่าเมื่อรู้อะไรแล้วเนี่ยนะเมื่อรู้อะไรแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดการพาคการวิจารณ์นะการพูดการภาคการวิจารณ์ทั้งการรู้ทั้งการพูดการภากการวิจารณ์รวมถึงความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบนะแล้วก็รวมถึงความจำได้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยจริงๆตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงว่ามันคือกระบวนการการทางานอย่างธรรมชาติเนี่ย ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงเนี่ยก็จะยึดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไปยึดยังไงไปยึดว่าเราเป็นคนรู้แล้วเมื่อเราเป็นคนรู้เสร็จแล้วเราก็เป็นคนพูดเป็นคนคิดเป็นคนภาคเป็นคนเอาเรื่องราวมาเล่าเนี่ยเห็นไหมเป็นเราหมดเลยแล้วก็พอมีความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะไปยึดถือว่าเป็นเราอีกว่าเรารู้สึกเราไม่ชอบเราชอบเราเฉยเฉยอ่ะมันก็เป็นเราอีก ก็ดูแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหมันไปยึดไปยึดตั้งแต่รู้รู้ก็คือตัวตัววิญญาณขันเนาะเออวิญญาณขันไปยึดว่าเรารู้ยึดมาเป็นเราพอเวลามันพูดมันภาคมันคิดในใจจริงจริงก็คือความคิดแต่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปยึดว่าเราเป็นผู้พูดผู้ภาคผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้รองก็ว่าไปมันก็ยึดหมดแล้วก็พอจําอะไรได้ขึ้นมา เช่นจาได้ว่าอันนี้เป็นเป็นความโกรธอันนี้เป็นความเป็นความโมโหไปยึดว่าเราจําได้ว่าโกรธเป็นยังไงโมโหเป็นยังไงอันนี้ก็ไปยึดสัญญามาเป็นตัวตนมาเป็นเราอีกโยมดูดิว่าไอ้ข่นามะธรมมาตั้งแต่จิตวิญญาณขันเนี่ยก็มายึดว่าเป็นเราไอ้ตัวพูดตัวภาคตัวคิดก็คือตัวสังขารปรุงแต่งก็เป็นขันในขันห้าก็มายึดเป็นตัวเป็นตน สัญญาก็เป็นขันในขันธ์ห้าก็มายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายก็มายึดเป็นตัวเป็นตนหมดทำไมยึดก็เพราะว่ายังไม่มีสติปัญญารอบรู้เท่าทันนะแล้วยังมีความหลงผิดก็เลยไปตะครุบไปยึดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราหมดเลยทีนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าถ้าเราฝึกสติ นะที่เ็าบอกว่าฝึกสติให้รู้กายรู้ใจก็หมายความว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นในกายก็ให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าไอสิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งเกิดแล้วก็ต่อมามันดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนอืมแล้วก็ขยันเรียนรู้อย่างเนี้ยเรียนรู้ในกายในใจนี่แหละแล้วมันก็สภาพธรรมะเนี่ยมันก็จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะเป็นระยะให้เห็นมีการปรากฏขึ้นแล้วก็การหมดไป ปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปการที่เห็นตรงนี้บ่อยๆมากๆมันก็จะทำให้เกิดปัญญาว่าอ๋อไอการเกิดขึ้นก็เป็นแค่การทํางานของขันห้าเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปอย่างปกตินะมันเราไม่ได้ทำให้เกิดเราไม่ได้ทำให้ดับมันเป็นเรื่องของมันเรื่องของมันทีนี้ถ้าไม่มีตัวเราไปยุ่ง ก็ได้แต่เห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเอะไม่ต้องอะว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทาไมมันต้องเป็นอย่างนี้คำถามว่าทำไมทำไมจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไอ้ที่ถามว่าทำไมทำไมนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้มันเป็นตัวเราตัวเราที่ไปไปยุ่งกับมันจริงๆมันเกิดมันดับนะไม่มีใครยุ่งมันก็มีแค่นั้นแหละมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับแต่พอเอาตัวเราไปยุ่งปั๊บ มีข้อสงสัยว่าทําไมต้องเกิดต้องดับทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยทําไมทําไมทําไมทําไมโอ้ตรงนี้แหละมันก็เลยก็คือที่ถามว่าทําไมก็เพราะอะไรเพราะไม่รู้แจ้งว่าธรรมชาติของสิ่งเกิดดับมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองทีนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายในการปฏิบัติก็คือว่าเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนะอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างไม่ว่าจะเจ็บจะปวดจะเมื่อย จะเคลื่อนไหวจะอะไรก็แล้วแต่มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอาการอย่างนั้นไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องเอ๊ะไม่ต้องอะให้รู้อย่างซื่อซื่อแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนะความสุขความทุกข์ความสบายใจความไม่สบายใจความโกรธความเบื่อความเซ็งอะไรก็แล้วแต่รู้แล้วไม่ต้องเอ๊ะไม่ต้องอะให้รู้อย่างซื่อซื่อตามที่มันมันมีมันเป็นนะไม่ต้องมีตัวเราที่ต้องไปจัดการหรือต้องไปทาอะไรกับมัน เพียงแต่เห็นเขาเรียกว่าทั้งเห็นทั้งรู้ตามที่มันกําลังแสดงให้ดูนั่นแหละตัวสภาพธรรมะแหละที่กําลังแสดงอ่ะที่เขาบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอ่าผู้ใดเห็นทุก์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นทุกก็คือเนี่ยเห็นร่างกายจิตใจนี่แหละเขาเรียกว่าทุกเมื่อเห็นทุกก็คือเห็นธรรมะทําไมจึงเรียกว่าธรรมะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเอง ถ้าเข้าใจตรงนี้การปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีความยุ่งยากเลยเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรมีแต่เหมือนกับว่าเออแค่ดูแค่รู้เหมือนดูหนังดูละครเน่ะที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนเนาะท่านบอกว่าโอ้ปฏิบัติธรรมยากอะไรก็เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเหมือนดูหนังดูละครความความทุกข์ต่างๆน่ะทุกแต่ละอาการแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นละครแต่ละตัวใช่ไหมออกมาโผล่มาให้เห็นหน้าแล้วสุดท้ายมันก็เข้าหลังฉากไปคือมันดับไป ออย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเห็นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยพอเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็สิ้นการหลงยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแค่นี้มันก็พ้นจากทุกได้พ้นก็คือไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปถือเขาเรียกว่าหลุดพ้นทีนี้เวลาหลุดพ้นไม่ใช่ว่าเราหลุดพ้นนะเพราะเราไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่มันหลุดพ้นได้เพราะปัญญาปัญญาคือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะนั้นคำว่าหลุดพ้นคือปัญญาการพ้นทุกข์ได้ก็คือต้องพ้นทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่พ้นทุกข์ได้เพราะเพราะเรารู้มากเรารู้ธรรมะเยอะอย่างนั้นน่ะมันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็คือเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่มีความหลงยึดถือ ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นหลวงพ่อดูนะมันเอาสมมติอะทำได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยฟังเข้าใจแล้วเห็นตามเห็นภาพเห็นตามเลยว่าอ๋อแท้จริงมันไม่มีอะไรเลยนี่มีแค่สิ่งปรากฏแล้วหมดไปสิ่งปรากฏแล้วหมดไปนะแล้วก็การรับรู้มันก็รับรู้ได้เองอยู่แล้วนี่อตาเวลาอะไรผ่านตาตาก็มองเห็นมันก็เห็นเองเสียงดังเอา้า มันก็ได้ยินเองอะไรกระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอ้าวมันก็รู้เองเวลาความไม่สบายกายความไม่สบายเอ้ยเวลาไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจอ้าวมันก็รู้เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็เกิดเองและเวลารู้มันก็มีธรรมชาติรู้รู้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นต้องไปยุ่งยากกับอะไรกับอะไร เพียงแต่ให้ตื่นอยู่อย่างนี้คือไม่หลับนะไม่หลับเพราะว่าเวลาหลับมันเป็นการพักผ่อนคือหลับใช่ไหมจะไม่รับรู้อะไรแต่ช่วงที่ไม่หลับเนี่ยกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยชีวิตประจาวันเนี่ยมันตื่นรู้อยู่จริงๆอ่ะมันรู้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของของรู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏก็เลยมีการดิ้นรนสแสวงหาค้นคว้ากันอย่างมากมาย จริงๆธรรมะมันปรากฏเฉพาะหน้าอยู่แล้วปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วไม่ต้องไปหานะอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็สแสดงให้ดูเห็นอย่างแจ่มแจง้งอ่อค่ะค่ะคือพอดีหลวงพ่อเ อ, อพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ธรรมะนะคะและหลวงพ่ อ, อ, อหลวงพ่อก็พูดถึงว่ามันมีตัวของผู้ที่รู้ธรรมะซึ่งมันก็ยังไม่ใช่การรู้ธรรมะที่แท้จริง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการรู้ในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับมันว่ามันไม่มีอยู่จริงมันจะนําไปสู่ความพ้นทุกข์คือเหมือนกับว่ารู้สองอันเนี้ยมันรู้ไม่เหมือนกันอันนึงยังมีตัวผู้รู้คือตัวที่เข้าไปรู้แต่อีกอันหนึ่งคือความรู้เฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ประมาณนั้น ระมานนั้นเพราะว่าที่หลวงพ่ายกตัวอย่างในตอนแรกเนาะเวลาเกิดมาเนี่ยมันก็ไปค้นคว้าไปเรียนรู้เนาะแล้วก็พอเรียนรู้เสร็จได้ความรู้มาแล้วก็ไปยึดคือพอไปยึดก็หมายความว่ามีตัวตนมีตัวเราแล้วแหละมีตัวเราเป็นผู้รู้เห็นไหะ ม, มันจะมีตัวเราเป็นผู้รู้ทั้งทั้งที่จริงๆอะความจริงอะตัวเราไม่มีหรอกมันมีแค่ร่างกายใช่ไหมมีร่างกายจิตใจที่มันไปเรียนหนังสือเขาเรียกว่าทั้ง ทั้งชุดเนี่ยนะเขาเรียกว่าทั้งทั้งตัวทั้งตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ความเข้าใจผิดที่มีมาตั้งแต่ต้นก็ไปยึดว่าตัวเรามีตัวเราแล้วก็ตัวเราไปค้นคว้าไปหาความรู้แล้วเมื่อได้ความรู้มาก็ยึดความรู้ว่าเป็นเรารู้อันเนี้ยก็ยังยังพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะยังมีเราแต่ถ้าเรามองอีกต่ออีกทีหนึ่งนะว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยคําว่าเราเนี่ยจริงๆอ่ะมันเที่ยงไหมไอ้ตัวตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้เนี่ย มันก็ไม่เที่ยงเพราะว่ามันต้องตายอันนี้พูดเอาแบบง่ายๆเลยตัวเราที่อุตส่าห์เรียนหนังสือไปเรียนมีความรู้มากมายเนี่ยแต่สุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเพราะฉะนั้นไอ้รู้แบบเนี้ยยังเป็นรู้ก็ เ, เรียกว่ายังเป็นรู้ที่ปรุงแต่งยังเป็นสังขารเกิดดับจึงยังไม่ใช่รู้จริงยังไม่ใช่รู้แท้เป็นรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นรู้ตัวปลอมก็ได้อ่ะรู้แบบปลอมๆ อ, อ่ะเออถ้าของจริงมันจะต้องเที่ยงแท้เนาะหมายความว่า เป็นรู้ที่ไม่ไม่ปรากฏเป็นรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับแต่อันเนี้ยมันเป็นรู้ที่ที่เกิดแล้วก็ดับเป็นรู้ที่เปลี่ยนแปลงได้เอออันนี้เพื่อให้มันง่ายในการเปรียบเทียบเข้าใจเราเรียกว่าเป็นรู้ปลอมกันแล้วกันอ่าส่วนรู้จริงเดี๋ยวก็อธิบายอีกช็อตหนึ่งให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะที่โยมถามก็จริงๆก็คือเข้าใจถูกถูกแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องคุยต่ออีกนิดเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอืมค่ะขอบพระคุณอาจารย์ มันมีข้อสังเกตอย่างนี้ก็ได้ไอ้รู้แบบแบบเรารู้เนี่ยจริงๆอ่ะเพราะว่าคําว่าเราเนี่ยนะมันก็พอมองออกอยู่แล้วว่าไอเราจริงๆมันก็ไม่เที่ยงอะ่ะเพราะมันก็ต้องแจกเจ็ บ, จบตายจริงๆนะมีแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นความรู้มันก็ดับมันก็หมดไปเออมันก็หมดเหมือนกันคือรู้แล้วก็เดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้คือมันยังเปลี่ยนได้แต่สิ่งเนี้ยมันก็มีอยู่มีอยู่แต่ก็ดับไปอื แต่มันมีอีกรู้หนึ่งคือรู้ที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏตัวผู้รู้นะแล้วก็เมื่อไม่ปรากฏเท่ากับว่าไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็แปลว่าการดับก็ย่อมไม่มีนะเพราะฉะนั้นรู้นั้นแหละเป็นรู้แท้ๆเป็นรู้ก็เรียกว่าเป็นรู้แล้วก็พ้นทุกที่พ้นทุกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะไม่ไม่เป็นทุกเนี่ยตัวตัวรู้หมายถึงว่าสาภาพรู้เนี่ยมันไม่มีทุก ด้วยตัวมันเองเพราะมันไม่ปรากฏสิ่งใดไม่ปรากฏมันเป็นทุกข์ไม่ได้แต่สิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองอ่าลองมองอย่างนี้ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสิ่งสิ่งที่สิ่งที่อะไรนะเขาเรียกว่าต้องทำความเข้าใจสิ่งที่มันปรากฏแล้วมันหมดไปให้แจ่มแจ้งก่อนนะเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่แจ่มแจ้งเนี่ยมันก็เข้าใจ อธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเ อ, อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะพูดถึงสิ่งเนี้ยสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเกิดดับสิ่งเกิดดับที่กําลังปรากฏแล้วก็ปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไป้ไอลองสังเกตตรงเนี้ยว่าสิ่งใดปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปสิ่งเนี้ยเป็นมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันแต่ทีนี้ถ้าจะต่อยอดเลยเนี่ยอะไรหละมารู้ว่าไอ้สิ่งนี้เกิดแล้วดับเออมันต้องมีอีกอีกรู้นึงแน่นอน มารู้ว่าไอ้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอีกรู้หนึ่งรู้อันนั้นแหละเป็นรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับจริงจริงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีตัวเราที่รู้ธรรมะคือไม่ว่าจะทําอะไรมันก็มีตัวเราที่เข้าไปรับรู้เ อ, อผลของการกระทํานั้นๆแต่ทีนี้เนี่ยมาออ่อคือก็ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดแต่ว่าพอดีได้มีโอกาสมาฟัง ในห้องนี้ก่อนก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตเห็นตัวเราที่จะเข้าไปเป็นที่รองรับของสิ่งที่ที่เรารู้คล้ายๆกับว่าเราเห็นว่ามันมีเราอยู่ในสิ่งที่ที่กำลังปรากฏอยู่คล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะคือพอเริ่มเข้าไปเห็นว่ามีเราในสิ่งที่ที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ย แล้วมีความรู้สึกว่ามันก็ต้องมีเ อ, อมีสิ่งที่เห็นเราอยู่ในสิ่งที่อยู่เอ อ, อยู่อีกที่หนึง่งหรือยังไงอย่างงี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเออ่พอเราเราเราเห็นว่ามันมีเราอยู่ในสิ่งที่เราเรากําลังเ อ, อปรากฏอยู่อยู่ข้างหน้าแล้วมีเราอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเราพยายามมันก็จะไม่ได้ เพราะมันมีเราที่พยายามแต่ถ้าเราไม่พยายามเราก็คือทำให้เหมือนปกติอ่ะแต่มันเหมือนกับว่ามันก็มีรู้อยู่ว่ามีเราอยู่ในการกระทานั้นๆมันมีตัวรู้เราอยู่ในการกระทานั้นๆอีกทีหนึง่งอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้จะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ไม่ทราบว่าวตรงประเด็นหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ่อที่โยมพูดมานเนี่ยมันก็เหมือ น, นกับ เห็นลางๆแล้วแหละว่ามันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราเหมือนกับพอจะเห็นลางๆแล้วเหมือนกับเพิ่มเหมือนกับเริ่มจะรู้จักเลยว่าอ๋อมันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราแต่ทีนี้ว่าเมื่อกี้ที่ยอมบอกว่าถ้าเราพยายามเนี่ยมันทำให้เพราะว่าถ้าถ้าพยายามเนี่ยคือมันจะเอาตัวเราพยายามเนาะพยายามที่จะให้เช่นพยายามที่จะให้พบผู้รู้เราไอการพยายามแบบนี้ มันรู้ไม่ได้มืนมันกับว่าหลวงพ่อจะใช้คําว่างไง ร, ระหว่างที่เรามีการพยายามเนี่ยพยายามที่จะให้มีให้พบสิ่งที่มารู้เราแบบเนี้ยมันเป็นความที่เขาเรียกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันจะไปบังไปบังธรรมชาติรู้นะไปบังธรรมชาติที่รู้เราแต่ถ้ามีสติปัญญาขณะที่ตัวเราเนี่ยกําลังสาแสวงหากําลังดิ้นกำกาลังดิ้นหาไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ย ตรงนั้นแหละถ้ามีปัญญาปั๊บมันจะเกิดการปิ้งขึ้นมาว่าเอา้าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วตัวเราที่ดิ้นดินดินดินเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกรู้ตรงนี้ถ้าเข้าใจว่าตัวเราที่เป็นผู้หาเนี่ยเป็นผู้ดิ้นหาเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ก็จะทำให้เข้าใจเรื่องที่ธรรมชาติที่มารู้เราทุกวันนี้ทุกวันนี้มันยากตรงนี้แหละมันยากตรงที่ว่าพอ พอสมมติเรามีการสอนธรรมะมีการพูดธรรมะบอกว่าให้ไปทำอย่างนั้นให้ไปทำอย่างนี้เนี่ยมันเอาตัวเราไปทำทุกทีแต่ไม่รู้เราสักทีหนึ่งว่าเราอ่ะกำลังไปทำเดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้สมมติว่าปัญหาเนี่ยที่เราคุยตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่เข้าใจแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอาถ้างั้นให้โยมอ่ะไปทำเป็นการบ้านแล้วกันพรุ่งนี้มาส่งว่าไปทำแล้วเนี่ยมีความเข้าใจว่ายังไง ไอาการที่หลวงพ่อบอกว่าให้โยมไปทำการบ้านเนี่ยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าโยมฟังมาแล้ว ก, ก็ตัวโยมไปทำการบ้านจริงๆเท่ากับว่าจะไม่รู้ตัวโยมเพราะตัวโยมเป็นผู้ไปทำการบ้านแต่ถ้าโยมพอยมจะทำการบ้านปั๊บมันรู้เราขึ้นเราเนี่ยกำลังจะทำการบ้านอยู่อย่างเนี้ย ก็เลยเขาเรียกว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เรารู้ว่าเราทำการบ้าน